พูดคุยโอ้อ oh, ด oh, oh เรื่องโน oh, เรื่องนี้ไม่รู้จัก <_ C> e <an> ไม่รู้จักเหนื่อยรู้จักเบื่อดังนั้นเมื่อเราเจริญติมากๆนะเราจะเริ่มเห็นนิสัยเสียๆของเราเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติมากๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจไอ้ปมปัญหาในตัวเองทำไมตัวเองเป็นทุกข์ทำไมตัวเองจึง ชอบคิดเปรียบเทียบอิจฉาคนนู้นคนนี้นะจากการเห็นกิเลสจากการเห็นปัญหาในตัวเองจากการรู้รู้จักปัญหานี่มันตเข้าไปตัดใอ้ความไม่รู้ครับซึ่งเป็นรากเหง้าของต้นตอของอๆๆความทุกข์ มารู้มากเข้ามากเข้าเหมืนลำบากไม้นะครับรู้ครั้งหนึ่งพอมารู้ตัวครั้งหนึ่งพอมันคิดหรือมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ตัวครั้งหนึ่งเราเห็นมันภายในของเราเนะ่ยมันเหมือนลำบากไม้ด้วยขวานคมๆครับชาวบ้านเขาโค่นต้นไม้แล้วก็โค่นซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีทีละครั้งทีละครั้งเท่านั้นในสุดต้นไม้เทนั้นก็ขาดสบับสนแล้ว ดังนั้นจากเรื่องราวที่ที่เรารับฟังมาทั้งหมดนี้ครับมันอาจจะสรุปได้งานนิดเดียวคืว่าให้เรารู้ตัวให้เรารู้เในเรื่องข้างนอกนะึ่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องข้างในไม่ได้เช่นจิตคิดนึกอย่างไรต้องรู้ครับไม่ได้หมายว่ารู้มันกําลังคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้มันคิดซ้อนคิด เช่นว่าเรากงคิดว่าเอเมื่อกเราคิดอะไรไปนะสองสาเรื่องเลยอ๋อเราคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันคิดซ้อนลงไปจริงเข้าใจไหมครับมันคิดซ้อนคิดการคิดซ้อนคิดช น, นีดจะไม่มีผลเลยครับเพราะว่าเปรียบเหมือนคนต่อสู้กันใต้น้ําต่างคนต่างไม่มีจุดยืนดีนไม่ติดดินทั้งคู่กันเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวทั้งคู่ดังนั้นสิ่งที่ผมเรียกว่าเห็นก็คือ มันเห็นโดยไม่ต้องคิดเราเฝ้าดูอย่างนี้พอจิตใจมันคิดว่นวาไปเรื่องอะไรเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามทิ้งเลยคิดปับกบทิ้งทันทีเลยหรือปฏิกิริยาหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นเช่นความปวดหัวปรปปับเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ก็เราไม่สนใจทันทีหรือปิติ หรือเกิดสบายใจแบบที่เมื่อกี้บอกผมว่า อ, อยู่ดีๆเกิดจำสาสสบายใจนี่ทิ้งทันทีคืออย่าไปสนใจพอสนใจพับนี่มันมันกลายเป็นความคิดพอสนใจว่าโอ้นี่ดีจริงๆเราก็เริ่มคิดอีกแล้วพอเข้าไปในกระแสงความคิดส่วนนี้จะหายไปทันทีกลายความทุกข์กลายเป็นปัญหาขึ้นมาดนั้นเราปฏิบัติ เ, เพื่อให้พ้นจากปัญหา จะเป็นอะไรก็ตามนะความสุขความทุกข์ความปิติความชื่นใจหรือความไม่ชอบใจหรือความกระทบกระทั่งอะไรให้รู้แล้วก็ผ่านเลยรู้แล้วก็ผ่านเลยเมื่อทาอยู่ได้อย่างนี้ครับมันเหมือนเรามือปัดฝุ่นสมมติพระพุทธรูปองค์หนึ่งนี้มันมีฝุ่นจับจนกระทั่งมองหมดเลยเราไม่สามารถเห็น เนื้อวัสดุมันเป็นทองหรือเป็นอะไระเราก็เอาพาคัคดิวหรือคนไก่นะครับปัดปัดไปปัดไปในสุดไอเนื้อหาแท้ๆของพุทธรูปปรากฏขึ้นเองปรากฏขึ้นเพราะมันมีอยู่แล้วในนั้นนะครับเพียงแต่ฝุ่นจะจับจริงชีวิตของเราชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลครับมันไม่ได้แคบเหมือนที่เราคิดอย่างเราเอาจจะคิดว่าเราเป็นเพียงเด็กเล็กๆคนหนึ่ง ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับจิตใจที่แท้ของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับผืนผ้าผืนหนึ่งึ้่คลี่ออกมาแล้วก็เต็มรูปเต็มทรงมันแต่เนื่องจากเราใช้ชีวิตมาตามใจตามอารมณ์ตลอดดังนั้นมันคล้ายๆผ้าผืนนี้ใครคนหนึ่งเอเกาวทาทาทาแล้วพับพับมันก็ติดย่นกันในสูญเสียความยาวเ็้าใจไหครับมันก็ค่อยสูญเสียขณะดที่แท้ของมัน แต่ป่านี้พเรามาปฏิบัติโทานาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราค่อยๆแกะหรือแช่น้ำจนกาวเสื่อมคุณภาพแล้วก็ค่อยดึงผืนผ้านั้นออกมาดึงออกห่อก็ยัง่ทั้งมันเต็มผืนมันตามเดิมวันหนึ่งครับพระพุทธเจ้าทรงนั่งสนทนากับพระอานนท์พระพุทธองค์ทรงหยิบผ้าผ้าผืนหนึ่งเนะครับเป็นผ้าเช็ เทาหรือผ้าเช็ดมือไม่ไม่ทราบแล้วท่านครีว ใ, ให้มันยาวแล้วท่านก็เริ่มผูกปมที่หนึง่งแล้วถามพระอนุ น, นี่อะไรกันอาอนพาอ น, นก็ผ่าซื่อบอก ป, อปอมพระเจ้าค่ะแล้วสุดเดียมผู้เจ้าก็ผูกอีกวิธีหนึ่งแล้วเท้นี่อะไรพระ อ, องค์ตอบว่าปมพระเจ้าค่ะแล้วท่านผูกอีกวิธีหนึ่งครบถึงหกปมในสุดผ้าผืนนั้นก็ค่อยสูญเสียความยาว หรือแต่ปมปมปมปมที่พีเจ้าถามถ้าสมมติเธอจะแก้ปมเหล่านี้เธอจะทำอย่างไรเพื่อจะให้ผืนผ้าผืนนี้เที่ยวเหมือนเดิมพระนุนก็ตอบว่าข้าพระองค์ต้องสํารวจดูก่อนว่าปมนั้นๆถูกผูกขึ้นอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกผูกขึ้นอย่งไรแล้วข้าพระองค์ก็จะคลายมันตามที่เห็นว่ามันผูกเข้ามาอย่างไรมันก็แก้ทางนั้น พระเจ้าก็ประทานสาธุการนะครับบอกว่าถูกต้องแล้วมันบอกแล้วท่านก็ชี้ว่าปมชีวิตก็เป็นอย่างนังน้นปมใจก็เป็นอย่างนังน้นครับที่เราไปรักไปชอบใครเข้าหรือไปยึดถืออะไรเข้าเนี่ยมันเกิดเป็นปม อ, อนะี่เช่นคนบางคนมีเรื่องอยู่แล้วมีปมที่ใจนี่หน้าเศร้าที่นี่ก็ไปดูละค ร, ระเผอิญเรื่องในละครนั้นเน่มัน มันเขียปมใจทังตัวเข้าก็รู้สึกไม่ผาสุขหรือไปฟังพระเทศพระไม่ได้เจตนาที่จะว่ากล่าวเฉพาะตัวอะไรแต่แล้วเจ้าตัวไปรู้สึกว่าถูกดา่าเพราะมันมีปมอันนั้นเด้อนั้นคนพอมีปมที่ใจแล้วนะครับมันจะรู้สึกตัวเหมือ น, นสูญเสียเนื้อที่กว้างขวางของขอ ง, ของใจ บางครั้งเรารู้สึกอึดอัดนะครับอยู่ใกล้คนที่เราไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบหรือได้รับในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือคนมาเยี่ยมซึ่งเราไม่ชอบเราจะรู้สึกกระสุนเสียเนื้อที่กว้างขวางในภายในไม่เพียงแต่บ้านเรามีแขกมานั่งแต่หัวใจของเราเนี่ยหิวหอนมาไม่ชอบอึดอัด แังนเนื้อที่ว่างในภายในนี้สำคัญมากครับคนโบราณแม่เขาพูดดีบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากห้าอาจะมีที่ทแคบๆห้องแถวหรืออะไรนี่แต่ถ้าจิตใจเรากว้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หากเราอยู่ตึกอยู่ปราสาทยอยู่ห้องใหญ่โอทโงซึ่งไม่ได้คับที่แต่จิตใจมันับแคบ อยู่ยากข้นเพราะความอยู่เราอยู่ทั้งสองส่วนคือกายก็อยู่ในบ้านแต่ตัวเราจริงๆอยู่ในหัวใจเราหัวใจเราหดหูชื่อว่าตัวเราหดหูหัวใจเราแห้งชื่อตัวเราแห้งหัวใจเราชุ่มก็ชื่อว่าตัวชีวิตเราชุ่มหัวใจเรากว้างขวางชีวิตก็เบิกบานกว้างขวางหรือหัวใจเราสลด ชีวิตเราก็สลดหัวใจเราหนักแน่นชื่อว่าชีวิตนั้นหนักแน่นสิ่งนี้เห็นได้ง่ายครับแต่เราไม่ค่อยจะสังเกตถึงอย่างเราพบคนบงคนนคับ่บางคนหนักแน่นไม่ค่อยวันไหวอะไรง่ายไม่ใช่เพราะคนนั้นเก่งนะที่จริงใจเขาดีทั้งนี้ครับแล้วการที่ใจดีมีเหตุมีเหตุคือเขาไม่ค่อยทําลายจิตใจของตัวเอง เขาไม่ทำลายใจตัวเองเขาก็มีใจซึ่งดีเช่นเดียวกับคนรวยและคนยากไร้นะครับสมมุติว่ามีคนเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนกันไอ้คนหนึ่งเก็บสะสมเงินเรื่อยก็เม็ดกแ็แหมนะครับอีกคนหนึ่งอิรุ่ยชวิชาดได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดยี่สิบปีให้หลังคนหนึ่งกลายเศรษฐีอีกคนหนึ่งยังกลายเปขอทานสมมตินะครับ ทางนี้ไม่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเก่งไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เขาไม่ทำลายรายได้ที่ได้มาแม้จะเล็กน้อยดังนั้นคนสองคนก็ดูเหมือนกันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะดังนั้นคุณธรรมต่างๆนี่ครับมันเกิดจากการสั่งสมชิรน้อยแต่ว่าคุณธรรหลักไี่สำคัญมากครับเหมือนที่ผมบอกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมชาติของที่ แล้ย้ายหลังพึ่งเราไปหยิบเอาพึ่งที่ตัวไปเพื่อย้ายรังนี้เป็นปัญหาอา จ, จะย้ายไม่สําเร็จแล้วก็ถูกพึ่งต่อยด้วยถ้าคนรู้จักธรรมชาติของพึ่งดีๆก็เอาตัวนางพญาตัวเดียวเท่านั้นเองไปไว้ที่ที่เราต้องการแต่จากนั้นพึ่งน้อ ย, อ ย, อยพึ่งงานจะตามไปเองเมื่อเราปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นหลัก กุศลธรรมอื่นๆเครื่องประกอบก็จะตามมาเองเนะฮะเหมือนลำทานซึ่งไหลไปลตัวลำทานนี่สำคัญมากพน้ำไหลไปสักพักหนึ่งสมมติว่าเขาขุดคลองใหม่หรือขุดขุดคลองใหม่พอน้ำเดินปีสองปีขอบของคูหรือคลองนั้นก็เริ่มมีพืชน้ำเกิดขึ้นละอองน้ำถ้าไม่เกิดผัก กิดอะติดตามมาเองชำไรก็สำ น, นั้นความรู้สึกตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเช่นความอ่อนแอความกลัวความขี้คลาดความที่พึ่งตัวเองไม่ได้ความอยู่ไม่สุขความขี้ระแวงความมองผู้อื่นในแง่ร้า ย, ายความยอโสถือดีเนี่ยมันก็ค่อยหายไปเอง วความรู้สึกตัวันเหมือนกับสิ่งที่เป็นอาหารของชีวิตหรือพูดเด ว, ว่าเป็นตัวชีวิตเองเหมือนที่ผมพูดหลายครั้งนะว่าชีวิตก็คือความรู้สึกตัวได้ความรู้สึกสดๆนี่เรียกว่าชีวิตแต่นี่มันมันรู้สึกทางกายแต่ถ้าความรู้สึกทางกายเนี่ยเชื่อมต่อไปถึงความรู้สึกทางหัวใจนั่นเรียกว่าชีวิตทางกายทั้งใจ ราปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆครับมันจะรู้สึกว่าชีวิตเราถอยกลับเข้าไปในตัวมันเองคแค่มันดูดกลับเข้าไปในเนื้อหาของมันเองปกตินี้ผู้หญิงผู้ชายก็ตามเด็กก็ตามน ค, คนแก่ก็ตามนักพรตก็ตามมีชีวิตยอยู่วันๆหนึ่งมันยื่นออกไปข้างนอกครับมันมันยื่นไปไปตาก็ยื่นไปสัมผัสรูปหรือรูปมาสัมผัสตา มันก็สนุกกับอารมณ์ภายนอกมันยื่นไปรับครับหรือถ้าพูดตรงๆอ ย, อย่าหาวของพูดหยาบโลนพบผู้หญิงเห็นผู้ชายก็อวัยวะเพศนก็ยื่นออกม า, ากโดยธรรมชาติของมันตาภาษาปากใต้เขาเรียกตาล่อครับซึ่งหมายถึงโลกคำว่าตาลนะ่อเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมเข้าใจไหม ผมไม่รู้คนสงขาเขาเรียกอย่างนั้นก็บอกมึงอย่าตาล่อเนี่ยมาว่ามึงอย่าละโมบนักเลยคือพอเห็นอะไราตามก็ยืน่นออกตาล่อเขาเรียกทีนี้พอเราเจริญสเรื่อยๆมันก็หดกลับผู้หญิงก็กลับเข้าไปสู่ในตัวของหญิงนั่นเองผู้ชายก็กลับเข้าไปเด็กก็กลับเข้ามาในตัวเด็กนักบวชก็กลับเข้ามาในตัวของนักบวชนั่นเอง ปฏิบัติอย่างนี้มจะรู้สึกอย่างนั้นมันจะหดกลับเข้าไปหดกลับเข้าไปจนกระทั่งไปบรรจบกับหัวใจตัวเองเรียกว่าได้หัวใจตัวเองคืนมานะับธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้ที่รู้ล่วงหน้านี่เป็นเป็นแบบแบบแ ป, แปลนครับคล้ายๆเราจะสร้างบ้านตัวตัวเจ้าของบ้านไม่รู้ว่า รูปสําเร็จของบ้านอย่างไรก็ให้สาวนิกก็สร้างแบบให้ดูหรือทำที่เขาเรียกหุ่นแต่ว่านั่นไม่ใช่บ้านนะครับเมื่าพูดเรื่องทางธรรมอธิบายนี้ต่อให้เราจําได้ท่องได้ขึ้นใจนั่นก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นเป็นเป็นเนครื่องหมายเป็นอะไ ร, รบแบบหุ่นบ้านเนี่เราอยู่ไม่ได้แต่เราเห็นนั่นเราพอจะนึกเขาได้ว่าเสร็จแล้วน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆธรรมะเน่ยรู้เรื่องหน้าไม่ได้ครับแต่รู้ไปมันเป็นปัญหาหนักเ<ต>มื่อเราปฏิบัติเข้าเนี่ยมันได้ค่อยๆรู้เข้าแล้วก็รู้จริงขึ้นดัง น, นั้นความรู้ที่รู้เ่องหน้าก็ค่อยๆถูกพิสูจน์ถูกพิสูจน์ ข, ขึ้นทีทีทเปรียบเหมือนคนที่เดินเข้าไปในห้องมืดแล้วกลัวว่ามีไอ้เหล็กลแหลมจะแทงลูกตาก็หันหลัง เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไปถึงขนาดหนึ่งก็ไปชนกำแพงห้องก็เลยรู้ว่าห้องมันจบเท่านี้ความใคร่รู้ล่วงหน้านี่แปลกมากนะครับแล้วดูเหมือนจะเป็นอุปนิสัยของบุคคลที่รับการศึกษาด้วยอยากจะรู้อะไรล่วงหน้า ตมองสังเกตดูชาวบ้านเนี่ยเขาเไม่าไม่อยยากรู้อะไรล่วงหน้าเท่าไหร่นักเนี่ยอาจจะมีแต่เป็นประเภทนักศึกษาหรือกครูบาอาจารย์นะเขาต้องซักละเอียดมากเหมือนกับว่าคนหนึ่งบอกว่าอา๋อกินข้าวเขาถามผมกินแล้วผมจะอิ่มไหมกินแล้วมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เ็ามาก่อนเลย แล้วก็จนกว่าเหตุผลคำอธิบายนะั้นมันที่พอใจเขากินกะกินดูๆไปแล้วคือการคนมากเรื่องครับหรือคนเรื่องมากส่วนคนที่มีสติปัญญาปานกลางนะครับก็เรื่องก็ น, น้อยลงมีมีข้อที่จริงอันหนึ่งนะครับว่าโลกทุ่วันนี้เนี่ยเราเราสแสวงหาความรู้ผ่านทางตำราและตัวหนังสือ อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่ดีนักเลยคในนี้โครงการพิชิตการไม่รู้หนังสือนี่เป็นโครงการใหญ่ก็ถูกเหมือนกันนะครับเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพของชีวิตอะไรเนี่ยคนไม่รู้หนังสือก็ไม่รู้จักรักษาตัวเองแต่ว่าต้องไม่ลื ม, มว่าวัฒนธรรมการอ่านหนังสือมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่สิบปีนี้ดังนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเขาไม่นิยมอ่านหนังสือกัน แต่เขาก็เป็นผู้ฉลาดและมีสีปัญญาดได้ที่อ่านหนังสือเนี่ยมันมันคล้ายๆเหมือนมันรู้อะไรกว้างมากเลยทําเป็นการรู้แบบเข้าๆเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้จริงๆคนไทยบางคนอ่านที่ไม่เคยไปเอสกิโมแต่อ่านหนังสือรู้มากเกี่ยวกับถิ่นนั้นบางคนรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวเคราะห์มาก แล้ววิธีชีวิตจริงมันไม่ต้องการความรู้ชนิดนั้นครับอย่างพวกเราทุกคนรู้ว่าโลกโลกนี้กลมใช่ไหมใครเชื่อโลกนี้แบนมั้งครับนี่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเคยเรียนภูมิศาสตร์ก็เชื่อโลกกลมผมก็เชื่อว่าโลกกลมแต่ว่าความรู้นี้ผมไม่เคยได้ใช้ทุกเช้าเนี่ยความรู้สึกว่าโลกแบนใช้มากกว่าไม่เคยนึกว่าโลกกลมแต่ถ้าถูกถามมัญหาก็ตอบว่าโลกกลม แต่โดยความจริงไม่ต้องใช้ความรู้อย่างนั้นมาดูปรากฏการณ์ธรรมชาติง่ายๆเลยครับว่าเราพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่โดยความจริงดวงวิสัยเนี่ยเป็นยังไงครับสีสมอนตอบได้เราพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระาทิตตกจริงๆโลกหมุนครับพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นและมันไม่ได้ตกด้วยมันเนื่องจากโลกนี่มันหมุนไปใช่ไหมครับถูกไหม แล้วก็พูดพระอาทิตขึ้นพระอาทิตย์ตกที่คนภาคใต้แถวพัทลุงพูดกันตลกตลกพระอาทิตลงลูมพูดพระอาทิตตกพระอาทิตลงลูแล้วตอนขึ้นบก่กพระอาทิตขึ้นจากลูเหยนี่เขาเรียกอย่างนี้ลูเหยคือรูที่อากาศละเหยนึงครัมื่แย่เนี่ยมันจะขุดลูแล้วมันจะเจาะลูทัางหมดตัวบางอากาศ คือมนุษย์นมันมีอะไรที่มันมันสร้างเรื่องเอาเองมากมากนะครทีนี้นก็ย้อนมาดูนะครับว่าตัวอินทรีย์ประสาทของมนุษย์นี่ผมใช้คําว่าอินทรีย์ประสาทก็คือตาหูจมูกลิน้นกายและใจมีครับแต่ละส่วนนี่มีเรื่องมีราวของมันมีการงานเฉพาะของมัน ล้มจินตนาการถึงสิ่งนี้นะครับผมผมทดลองให้ให้สร้างจินตนาการสมมุติว่าเราเดินทางมาในห้วงอากาศสมมุติอ่านนะครับซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงในในในอีก100ร้อยศตวรรษข้างหน้านั้นเราก็ไม่รู้ได้ครับสมมุติเราเดินทางมาในห้วงอากาศซึ่งแห่งนั้นซึ่งซึ่งไม่ใช่อากาศแถบโลกนี้แถบดาวโลก แล้วก็ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสมมติไปนะเราจะพูดกับเขาอย่างไงดีเรายิ้มเรายิ้มให้เขาก็อาจจะโมโหก็ได้หาว่าเสยะปากพรนหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนเราจริงมั้ยสมมติว่าเรายื่นมือจะเช็คแฮนด์ในเขาอาจจะยิงเปี้ยงเขาก็ได้ก็คิดว่าจะไปบีบคอเขาหนึ่งดังนั้นอ ก้อนอินทรีย์ภาษาที่เรือชีวิตนั้นนะครับสั่งสมข้อมูลที่ถูกโปรแกรมไว้ในตัวเขาจากภูมิหลังบนโลกของเขาเข้าใจไหมครับแล้วเราก็สั่งสมภูมิหลังที่โปรแกรมอยู่ในตัวเรานะจากโลกของเราวัฒนธรรมของโลกของเราทีนี้เมื่อพยายามจะสื่อความกัน การตีความนั้นก็มนุษย์นอกโลกคนนั้นเขาจะตีความตามพื้นเพของเขาจริงไ้มครับจริงไหมทีนี้มันก็สื่อกันไม่ได้สื่อกีก่ร้อยกี่พันภาษามก็สื่อกันไม่ได้จะมีจุดหนึ่งที่สื่อได้ครับคือจุดไหนครับคือจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกตัวว่าสื่อกันไม่ได้ตรงนี้สื่อกันได้แล้ย เข้าใจไครับว่าต่างฝ่ายตงรู้สึกเอ๊ะพูดกันไม่รู้เรื่องนี่นะต่างคนต่างเงียบเชื่อมันมันรู้ขึ้นมานะครับรู้ว่าพูดกันไม่ได้รู้ว่าทุกๆสื่อใช้ไม่ได้แบบ น, นี้มันเลยสื่อกันได้รข้าใจไหมคือต่างคนต้งรู้สึกตัวอย่งผมมีทะเลาะกันนะครับคืนหนึ่งเนะี่ยผมตื่นีนมาประมาณตีสองได้ยินผมเมียข้างบ้านด่ากันมันม า, มากๆ ผมจับได้ไม่มีใครฟังเลยมีแต่คนพูดไอ้ฝ่ายสามีก็พูดอะไรเขาไม่รู้แล้วไอ้เมียก็ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาถ้าเพียงทั้งคู่รู้สึกตัวเอะนี่รบกวนชาวบ้านนะเนีเท่า น, นี้นับว่าดีโคแล้วแต่วไ่ไม่รู้สึกครับนั่นเองให้สังเกต ด, ดูนะครับอินทรีย์ภาษาที่เราเรียกว่าคน มนุษย์นี่ครับมันพัฒนาขึ้นถึงระดับที่มีหน่วยของความจําที่จริงเราสมองมนุษย์เราก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสมองกลนะครับซึ่งเรามักจะรู้จักในนามของคอมพิวเตอร์สมองก ล, ม ส, มงกลสมองแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่อังกฤษนั้นโตขนาดลงทํานี่มั้ครับคือ <laughs> คือนั่นเนสมองกลรุ่นแทกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับมนุษย์มันมันฉลาดมากมากที่สร้างสมองกลมาเพื่อช่วยคิดช่วยงานมนุษย์แทนแล้วสมองกลนั้นก็เรียนแบบสมองของมนุษย์คือต้องใส่โปรแกรมให้มันมันจึงจะตอบคาถามได้คือใส่ข้อมูลอะไรต่างๆดังนั้นสมมุติเราถอด หุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเราถอดโปรแกรมออกมันก็ลม้มตึงตัวนั้นนะครับแต่นั่นคือหุ่นยนต์แต่มนุษย์เราไม่ใช่อย่างนั้นครับสมมติว่าเราถอดหน่วยความจํำออกเชีคือเราไม่จําอะไรนะครับมันยังมีชีวิตอยู่นี่ปัญหาของมนุษย์เราอยู่ตรงนี้ครับคือว่าเราจําสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วได้แม่นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ เราไม่ค่อยจะจำตัวนี้เราไม่ค่อยจะจำไอ้ไอสิ่งที่มันมันไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่วิสัยของอารมณ์เราไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยจำสภาพที่รู้ตัวได้แต่เราจะจำอะไรได้มากในห้วงของความคิดนะฮะดังนั้นคนที่จำเรื่องราวที่เกิดในอดีตได้มาก สมองมนุษย์เนี่ยมีความหน่วยความจําสูงมากๆนะยิ่งกว่าไดาโนเสาร์ยิ่งกว่าสัตว์ทุกชนิดเลยดังนั้นคนหนึ่งๆมันจําอะไรไว้ได้มากครับแล้วก็โชคดีที่มันยังมีการลืมได้ด้วยนะความจําเป็นอนิจจังจํามากนานเข้ามันลืมเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเราจําได้ตั้งแต่ชั้นประถมที่เรียนอะไรมั น, มนในหัวโตแล้ววันนี้มันลืมหมดดังนั้นจะเหลือแต่ประสบการณ์ง่ายๆ ของการกินการดื่มประสบการณ์นั้นเรามักจะพูดกันในแง่การศึกษานะะการศึกษาก็คือการเพิ่มพูนประสบการณ์แต่ผมจะบอกให้ว่าประสบการณ์นั่นเองเป็นปัญหานในตัวมันแต่ใครสักคนหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศปัญหาเรื่องเพศไม่มีหรือว่าไม่รู้เรื่อง แต่ใครทุกคนมีแคเนีมันจะจําน่มันจําประสบการณ์เมื่อจําประสบการณ์แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ของการเครียดแค้นนะครับอาฆาตใครทุกคนพอมีแล้วมันฝังใจเพราะนั้นคนมีประสบผมเคยได้ยินเขาพูดกันบ่อยว่าคนหันนวัตกรรมจะหันนวาตกรรมต้องมีประสบการณ์มากๆ ก, ก, ก่อนประสบการณ์ในชีวิ ต, ตใครต้องให้โชคเลือดมา ก, ก่อนโชคโชคกนมา ก, ก่อ ที่วันนี้พูดไม่ถูกตอ้องแบบที่เมื่อตอนบ่ายนี่ใครพูดเนะ่าบทชี้หนีลักเลยเพ่า <c> ะ <oughs> ว, ว่ากๆ ค, ค, คนที่หันมาทางธรรมต้องเป็นคนที่ที่ผ่านประสบการณ์แล้วไม่สมหวังจึงจะหันมาทางธรรมดีที่จริงเรื่องทางธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องทางนั้นนะครับเรื่องธรรมเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึง่งเป็นป ร, ประสบการณ์ที่ไม่สั่งสม เข้าใจไหมครับเรื่องทางโลกนี่นมันประสบการณ์ที่สั่งสมแต่ว่าทางธรรมนี่มันเป็นประสบการณ์เหมือนกันแต่มันประสบการณ์ผ่านเลยเข้าใจไหมครับคือพอมีอะไรมาสัมผัสก็ผ่านเลยดัง น, นั้นมันสั่งสั่งสมแต่ความรู้สึกตัวสติที่เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นถ้าเป็นประสบการณ์ประเภทสั่งสมนะครับนั่นจะออกไปตรงกันข้ามเช่นนักตาราเนี่ย เขอ่านเล่มแล้วเล่มเล่าเล่มแล้วนล่เมเ่าจนกระทั่งกลายเป็นตู้กระจายประดก์เดินได้ <c oughs> รู้ทุกเรื่องครับนั่นคือนักตําราคือนักคิดหรือนักจําแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องทํอย่างั้นนะครับจำตัวเดียวเท่านั้นเองครับคือสภาพรู้พอนะอะไรเกิดเคลื่อนไหวมันจะรู้พอรู้แล้วก็ผ่านเลย ส่วนผลของการรู้เช่นความปิติความสุขอะไรนหรือแม้แต่ตัวความเข้าใจไม่จำเป็นต้องสั่งสมนี่คือเรื่องราวของประสบการณ์นะครับจริงๆผมพูดหลายแงย่หลายมุม น, นะพูดมากคงพูดได้เรื่อยๆครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์พูดจิบเรื่องการเมืองมาพูดก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย สักเดียวพวกเราก็ลืมจะพูดเรื่องศิลปะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดเรื่องไรๆไม่มีประโยชน์เลยครับจะมีเรื่องหนึ่งที่มีประโยชน์แต่พวกเราเอาจจะเบื่อนะผมฟังๆคือคล้ายๆมันเราพูดแต่เรื่องของสมมติว่าผมจะพูดอย่างนี้ในทํานองพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับคือผลนุการปฏิบัติ ก็ไม่สู้มีประโยชน์เปลียมเหมือนวัวตัวหนึ่งเนี่ยเขาล่ามจมูกมกับหลักไอ้วัวตัวนั้นเนี่ยเหลือไปเห็นทุ่งหญ้าเขียวทีจีนี่ครับมันก็ฝันอยากจะไปกินหญ้าสมมติเป็นวัวที่ช่างฝันนี่มันก็ดัน พยายามที่ไปกินหญ้าให้ได้ผลก็คือขอเลือดโชคเท่านั้นเองหน้าที่แรกของหัวคือแทนที่จะมุ่งจะไปกินหญ้าคือมันต้องถอนหลักนี้ก่อนอย่างน้อยก็คลายอจุดที่ผูกพันใ ห, ให้ให้ออกกันต่อจากนั้นเมื่อมันคลายออกได้แล้วมันจะไปกินที่ทุ่งไหนก็มนไม่สําคัญอะไรจริงไหมครับเราไม่จำเป็นต้องมาสนทนาอาชีพไหนดีอาชีพไห น, ไหนเป็นครูดีหรือเป็นทนายมันไม่สําคัญอะไรเลยครับ ถ้าคุณมีอิสระจริงๆนะครับคุณเป็นขอทานก็ได้จริงัหมกวาดขยะก็ได้ครับเพียงเพื่ อ, อยังชีวิตรอดที่เมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อเอมิลี่เดี๋ยวนี้เขามีเขามีวั น, นค่คือเอมิลี่เดย์คือวันของหมอเอมิลี่แกคิดค่ารักษาห้าเซนมาตั้งแต่ก เมื่อหลายหลายสิ่ปีนะครจนข้าเงินเปลี่ยนมากแล้วแกยังคิดเท่าเดิมอยู่นันเงครับจนกระทั่งประาชนทั้งเมืองเนี่ยลืมจะไม่ลงเลยคนหนึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียแกกวาดขยะเป็นคนแก่ด้วยก็กวาดตลอดสายนะนะั้นทุกวันทุกเช้าเด็กหนุ่มสาวเติบโตเป็นผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นแล้วรุ่นเล่าจะรู้จักแกทั้งเมือง แล้พอกวาดเสร็จชาวบ้านจะให้เงินแล้วจะให้เกินกนี่แกไม่รับแกเอาพอซื้อขนมปังกินวันหนึ่งแล้วทำอย่างนั้นสี่สิบกว่าปีพอแกตายเนี่ยคนร้องไห้กันทั้งเมืองนเช่ันั่นคืออะไรบางสิ่งที่อาจจะสอนเราได้นะครับว่าความสลักสําำคัญของของมนุษย์ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ที่ฐานะ